สันทิติกะธรรมมสูต ร, รว่าด้วยสันทิติกะธรรมท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีประภาคต ร, รัสว่าสันติติกธรรมสันทิติกะธรรมผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนาพระผู้มีประภาคจึงต ร, รัสสันทิติกะธรรมท่านพระอนนท์ตอบว่าผู้มีอายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สังัดจากกามละถึงบรรลุปถมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคได้ตราสันทิกะระทโดยปริยายแล้วละถึงภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียิตนิโรธอยู่อายสะวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันทิิกะธรรมโดยนิปริยัยแล้วสันทิิกะธรรมสูดที่หจบ 6. สันทิิกะนิพานมสูตรว่าด้วยสันทิิกะนิพานท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสันทิิกะนิพานสันทิิกะนิพานท่านผู้มีอายุ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันธิทิฏฐะนิพพานท่านพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงดจากกามละถึงบรรลุปถมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันธิทิฏฐะนิพพานโดยปริยายแล้วละถึง ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานาโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียิตนิโรธอยู่อาสะวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันธิทิกนิาพานโดยนิปริยายแล้วสันธิทิกนิาพานสูตรที่6จบ 7. นิาพานสูตรว่าด้วยนิาพาน ท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่านิพพานนิพพานและถึงนิพพานสูตรที่เจ็ดจบ8ปรินิพพานสูตรว่าด้วยปรินิพพานท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปรินิพพานปรินิพพานและถึง บริณพานสูตรที่8จบเก้ตทังฆนิพานสูตรว่าด้วยตทังคนิพานท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตทังคนิพานตทังฆนิพานละถึงตทังคานิพานสูตรที่เกจบ10ทิฏฐธรรมานิพานสูตร ว่าด้วยทิฏฐธรรมนิพานท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทิฏฐธรมนิพานทิฏฐธรรมนิพานผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสทิฏฐธรรมนิพานพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สังกัดจากรกามและอกุโสณธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสทิฏฐธรรมนิพพานโดยปริยายแล้วละถึงภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายาณฉานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยียตินิโรธอยู่อาสะวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสทิฏฐธรรมนิพพานโดยนิปริยายแล้วทิฏฐธรรมนิพพานสูตรที่ส0บจบสามัญวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สัมภาทสูตร 2. กายสักขีสูตร 3. ปัญญาวิมุตตสูตร 4. อุปโตภาคาวิมุตตสูตร หสันติติกธรรมสูตร6สันติติกนิพพานสูตร 7. นิพพานสูตร 8. ปรินิพานาานพานสูตร 9. ตทังค่านิพพานสูตร 10. ทิฏฐธรรมนิพพานสูตรพุทุมปันนาจบ พุทิยะปันนาคหนึ่งเขมาวักหมวดว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าเขมะหนึ่งเขมาสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าเขมะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเขมะเขมะผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรนา่นอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะ พระอานุนตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุปฐมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะโดยปริยายแล้วละถึงภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญ า, าญาณฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียิตนิโรธอยู่ อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเคมะโดยนิปริยายแล้วเคมะสูตรที่หนึ่งจบสองเคมปัตตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าเคมาปัตตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เคมปัตตะเคมปัตตะละถึงเคมปัตตะสูตรที่สองจบสมอมตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอมตตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอมตะอมตะละถึงอมตะสูตรที่สามจบสี่ อมตปั ต, ตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอมตะปัตตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอมตะปัตตะอมตะปัตตะละถึงอมตปัตตะสูตรที่สี่จบห้อาอภยสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอาพยะ ท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอภยะอภยะละถึงอภยะสูตรที่ห้าจบ 6. อภยะปัตตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอภยะปัตตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอภยะปัตตะอภยะปัตตะ ละถึงอพยปัตะสูตรที่หกจบ7ปสัสสติสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าปสัสสติท่านพระอุทัยยีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปสัสสติปสัสสติละถึงปสัสสติสูตรที่เจ็ดจบ 8. อนุปุพภะปะสัสสติสูตรว่าด้วย เหตุให้ตรัสเรียกว่าอนุปุพพปสติท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุปุพพปสติอนุปุพพปสติและถึงอนุปุพพปสติสูตรที่แปดจบ9นิโรธสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่านิโรธท่านพระอุทายีถามว่า ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่านิโรธนิโรธและถึงนิโรธสูตรที่เก้าจบ 10. อนุปุปพะนิโรธสูตรว่าด้วย เหตุให้ตรัสเรียกว่าอนุปุพพานิโรธท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุปุพพานิโรธอนุปุพพานิโรธผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุปุพพานิโรธท่านพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึง บรรลุปฐมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุปุพภะนิโรธโดยปริยายแล้วละถึงภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตณฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิฐนิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุปุพภะนิโรธ โดยนิปริยายแล้วอนุปุปพานิโรธสูตรที่10จบ 11. อภัอภพพาสูว่าด้วยผู้อาจและไม่อาจเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำเกประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำเกประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะความกำนัด 2. โทสะ ความคิดประทุสร้าย 3. มโมหะความหลง 4. โกทะความกโกรธ 5. อุปนาหะความผูกโกรธ 6. มักขะความลบหลู่คุณท่าน 7. ปลาสะความตีเสมอ 8. อิ ส, สาความริษยา 9. มัชริยะความตรณีภิกษุทั้งหลายภิกษุละทรเก้าประการนี้ไม่ได้ ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำเก้าประการได้แล้วอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำาก้าประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะ 2. โทสะสโมหะ 4. โกทะ 5. อุปนาหะ 6. มักขะ 7. ปลาสะ 8. อิสา 9. มัชริยะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำเก้าประการนี้ได้แล้วอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อภพพสูตรที่11จบเขมวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เขมสูตร 2. เขมปัตตะสูตร 3. อมตะสูตร 4. อมตะปัตตะสูตร 5. อภยะสูตร 6. อพยปั ต, ตะสูตร 7. ปัสสิสูตร 8. อนุปุพพะปัสสิสูตร 9. นิโรธสูตร 10. อนุปุพพะนิโรธสูตร 11. อาพภพสูตร สสติปทานวักหมวดว่าด้วยสติปทาน 1. นึสิกขาทุพภรยะสูตรว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขาภิกษุทั้งหลายเหตุท้อแท้ในสิกขาห้าประการนี้เหตุท้อแท้ในสิกขาห้าประการอะไรบ้างคือ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในการม สการพูดเท็จ 5. การเสพของเหมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายเหตุท้อแท้ในสิกขาหาประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสประการเพื่อละเหตุท้อแท้ในสิกขาหาประการนี้สติปัฏฐานสประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติากาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาละถึง 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกสุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสประการนี้เพื่อละเหตุท้อแท้ในสิกขาหประการนี้แหลสิกขาทุพภรรยะสูตรที่หนึ่งจบ 2. นิวรณสูตรว่าด้วยนิวรภิกษุทั้งหลายนิวรณทำที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีหประการนี้นิวรณหประการอะไรบ้างคือหนึ่ง กางฉันทนิวรณิวร์คือความพอใจในกลาม 2. พยาปาทนิวรนิวร์คือความคิดร้าย 3. ทีนามิทะนิวรนิวรคือความหดหู่และเสื่องซึมสีอุทจจกกุกุจจนิวรนิวรคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉานิวรนิวร์คือความลังเลสงสัย ภิกษุทั้งหลายนิวรณห้าประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการเพื่อละนิวรณห้าประการนี้แลสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียนมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2.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 3. การมคุณนสูตรว่าด้วยการมคุณภิกษุทั้งหลายการมคุณห้าประการนี้การมคุณห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูและถึงส กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นห้าโภถภะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายการมาคุณห้าประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสประการเพื่อละกามคุณห้าประการนี้แลและถึง กามาคุณนสูตรที่สจบ 4. อุปาทานขันตสูตรว่าด้วยอุปาทานขันภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นหประการนี้ อุปาทานะขันห so ้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปาทานะขันอุปาทานะขัน <Dracula>. คือรูป 2. เวทนาปาทานะขันอุปาทานะขันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานะขันอุปาทานะขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานะขัน์อุปาทานะขันคือสังขาร 5. วิญญาณุปาทานาคันอุปาทานาคันคือวิญญาณภิกษุทั้งหลายอุปาทานาคันห้าประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เพื่อละอุปาทานาคันห้าประการนี้แลและถึงอุปาทานขันทสูดที่สจบหโอรัมภคียสูตรว่าด้วย โอรมภาคียสังโยชน์พิษุทั้งหลายโอรมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการนี้โอรมภาคียสังโยชน์หประการอะไรบ้างคือ 1. ส ก, กายทิฐิความเห็นว่าเป็นอัตตาของตน 2. วิจิกกิจฉาความลังเลสงสัย 3. าสีลพตปรามา m a ความยึดมั่นศีลพรต 4. กามฉันทะ ความพอใจในกาม 5. พยาบาทความคิดร้ายภิกษุทั้งหลายโอรัมภาคยะสังโยชน์หประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสประการนี้เพื่อละโอรัมภาคียสังโยชน์หประการนี้แหลละถึงโอรัมภาคยะสูตรที่หจบ 6. คติสูตรว่าด้วยคติ ภิกษุทั้งหลายคติ5ประการนี้คติ5ประการอะไรบ้างคือ 1. นิริยะนรก 2. ตดิรชานะโยนิกำเนิดสัตว์ดิรชาน 3. เปติวิสัยแดนเปรต 4. มนุษย์ 5. เทวดาภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เพื่อละคติ5ประการนี้แล ละถึงปฏิสูตรที่6จบ 7. มัชฌริยสูตรว่าด้วยมัชฌริยะภิกษุทั้งหลายมัชฌริยะความตรนีห้ประการนี้มัชฌริยห้ประการอะไรบ้างคือ 1. อาวาสมัชฌริยะตรนีที่อยู่ 2. กุลลมัชฌริยะตรนีตระกูลส ลาพมัจฉริยะตรณีลาบ 4. วันณะมัจฉริยะตรณีวันณนะหธรรมมัจฉริยะตรณีธรรมภิกษุทั้งหลายมัจฉริยะหประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสประการนี้เพื่อละมัจฉริยะหประการนี้แหลและถึงมัจฉริยะสูตรที่7จบ อุทธมภาคขิสูตรว่าด้วยอุทธรมภากขยสังโยต์ภิกษุทั้งหลายอุทธรมภากขยสังโยต์สังโยน์เบื้องสูง5ประการนี้อุทธรมภาคขิสังโยต์หประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานสองอรูปปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานสามมานะ ความถือตัวสอุทัจจะความฟุ้งซ่านหอาวิชาความไม่รู้แจ้งภิกษุทั้งหลายอุธทธรรมภากคิยสังโยชน้5ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสประการนี้เพื่อละอุธทธรรมภากิยสังโยชน้5ประการนี้แหละและถึงอุธทธรรมภากิยสูตรที่8ดจบเก เจโตขีละสูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการนี้กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเคลื่อบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสาศาสดาจิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในสาศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึงหน่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่งของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียร 2. เครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในธรรม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 มีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทาต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่ห้าของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทาต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสประการนี้เพื่อละกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตะปูหประการนี้แลละถึงเจโตขีรัสูตรที่9จบ10เจตโสวินิพันธสูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจหประการนี้กิเลสเครื่องผูกใจหประการอะไรบ้างคือ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 ไม่ปราศจากความอยากในกายทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียนเพื่อประกอบเนื่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียนนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่หนึ่งของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียนเพื่อประกอบเนื่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่อง <ๆ S 2> เพื่อบําเพญ็ญเพียน 2. เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกําหนัดในกายละถึง สเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูป 4. ีชั้นอาหารตามต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกขเนกความสุขในการหลับอยู่ 5. ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิยายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งจิตของภิกษุ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนกยายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดตะบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่ห้าของผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่อง เพื่อบำเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสประการเพื่อละกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้แหลสติปัฏฐานสประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. พิจารณาหินกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 เพื่อละกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้แลเจตโสวินิพันธสูตรที่10จบสติปทานวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ศสิกขาทุพภรยสูตร 2. นิวรณสูตร 3. กามคุณสูตร 4. อุปาทานขันธสูตร 5. โอรัมภิกยสูตร 6. คติสูตร 7. มัชิรยะยสูตร 8. ปอุทธรรมภาคียสูตรเ้ 9. เจโตขีระสูตร 10. เจตโสวินิพันธสูตร สัมมปทานวักหมวดว่าด้วยสัมมปทาน 1. นึ่สิกขาสูตรว่าด้วยเหตุท่อแท้ในสิกขาภิกษุทั้งหลายเหตุท่อแท้ในสิกขาหาประการนี้เหตุท่อแท้ในสิกขาหาประการอะไรบ้างคือ 1. การฆ่าสัตว์ละถึง 5. การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลายเหตุท้อแท้ในศิกขาหประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสัมมาประธานความเพียรชอบสประการเพื่อละเหตุท้อแท้ในสิกขาห้าประการ น, นี้แลสัมมาประธานสประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสร้างฉันทะพยายามปราบรกความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น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 เพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสัมมาประธานสประการนี้เพื่อละเหตุท้อแท้ในสิขาห้าประการนี้แลสิกขาสูตรที่หนึ่งจบพึงขยายหมวดธรรมว่าด้วยสัมมาประธานเหมือนในสติปัฏฐานวักส 10. เจตสโววินิพันธสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจห้าประการนี้กิเลสเครื่องผูกใจหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่งเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดและถึงภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจหประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสัมมาปทานส่ประการ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 เพื่อละกิเลสเครื่องผูกใจห้าประการนี้แหละเจตโสวินิพันธสูตรที่10บจบสมมปธานวักที่สจบ 4. อิทิปาทวักหมวดว่าด้วยอิทิบาท 1. ศึสิกขาสูตรว่าด้วยเหตุทอแท้ในสิกขาภิกษุทั้งหลายเหตุทอแท้ในสิกขาห้าประการนี้ เหตุท้อแท้ในสิกขาหาประการอะไรบ้างคือ 1. การฆ่าสัตว์ละถึง 5. การเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายเหตุท่อแท้ในศิกขาหาประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอิธิบาท4ประการนี้เพื่อละเหตุท้อแท้ในศิกขาหาประการนี้แหล อิธิบาสีประการอะไรบ้างคือ 1. สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียนประคอง จ, จิตมุ่งมัน่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดม่ให้เกิดขึ้น 2. สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่น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 พื่ขยายหมวดธรรมว่าด้วยอิธิบาทเหมือนในสติปัฏฐานวัร์ 10. เจตสูวินิพันธสูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจหประการ น, นี้ กิเลสเครื่องผูกใจห้าประการอะไรบ้างคือภิกสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดและถึงภิกสุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจห้าประการนี้ภิกสุทั้งหลายภิสุพึงเจริญอิธิบาสีประการนี้เพื่อละกิเลสเป็นเครื่องผูกใจห้าประการนี้แลอิธิบาสีประการอะไรบ้างคือ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 เพื่อละกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้แลเจตโสวินิพันธสูตรที่10จบอิทิปาทวักที่สจบผู้ศึกษาพึงประกอบสั ม, มปทานสและอิทิบาส4เหมือนสติปทานสราคะไปะ ย, ายานภิษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเกประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำเกประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณะสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหารเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4. สัพพโลเกออ น, นัพิรตตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลอในโลกทั้งปวง 5. อนิจจสัญญา กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อณิเจทุกัสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกเเคอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 8. ปหาณสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปทำทั้งหลาย 9. วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีต ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเกประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเกประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำเกประการอะไรบ้างคือ 1. ปฐมฌาน 2. ทุติยฌาน 3. ตติยฌาน 4. จะตุทชฌาน 5. อากาสานัญจายตนะฌาน 6. วิญญาณัญญายตนะฌาน 7. อากินจัญญายตนะฌาน 8. เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเก้าสัญญาเวทียตินิโรธภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเก้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำเก้าประการนี้เพื่อกำหนดรู้ราคะและถึงเพื่อความสิ้นราคะ เพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำก้าประการนี้เพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำก้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งโทสะ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 ความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีตัวเสมออิสาความริษยามัฉริยะความตรหนีมายามายาสาเทยะความโอ้อวดถามพะความหัวดื้อสารัมพะความแข็งดีมานะความถือตัวอติมานะความโดหมิ่นเขามะทะความมัวเมาปมาทะความประมาท